เราอยู่บ้านหรือกําลังพักผ่อนที่ได้ซักแห่งแล้วเกิดมีเสียงประทัดดังหลายคนจะรู้สึกตกใจแล้ถ้าเกิดว่าเสียงประทัดดังอยู่ บ, บ่อยๆหรือว่าจะเป็นกลางคืนเนี่ยก็จริงๆ ร, ร, รู้สึกหงุดหงิดขุ่นมัวหรือรําคัญใจแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เสียงประทัดนะ มันเนเสียงระเบิดเนี่ยอ่ายิ่งตื่นตกใจเข้าไปใหญ่เกิดความขุ่นมัวเกิดความวิตกหรือโกรธที่เสียงมันรบกวนที่ประเทศซีเรียเยมื่อสองปีก่อนเนี่ยมันมี เด็กคนหนึ่งนะอายุสามขวบเมืองที่เด็กคนนั้นอยู่เนี่ยมันมีการรบพุ่งเกิดสงครามมีการสู้รบกันแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนี่ก็ส่งเครื่องบินนะมาทิ้งระเบิดถล่มเมือง น, นั้นเวลาระเบิดนะกระแทกพื้นดินเนี่ย หรือว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นมาเนี่ยเด็กิงนี่ก็จะร้องร้องไห้ด้วยความตื่นตกใจพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วววันหนึ่งเนี่ยเสียงระเบิดจากเครื่องบินมันก็ดังเรียก ว, ว่านับครั้งไม่ถ้วนก็เลย เด็กก็แต่ร้องไห้พ่อเนี่ยเป็นทุกข์มากเพื่อนมีช่วงหนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลทางศาสนาก็มีการเฉลิมฉลองกันข้างบ้านของเด็กคนนี้ก็มีการจุดประทัดดอกไม้ไฟโดยว่าตอนกลางคืน เด็กคนนี้พอยีเสียงประทัดเนี่ยตกใจร้องไห้พ่อก็เลยอุ้มเด็กคนนี้ไปนอกบ้านแล้วก็บอกเด็กๆที่กำลังเฉลิมฉลองกันเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ยว่าให้ลองจุดประทัดอีกทีหนึง่งพอจุดประทัดขึ้นเนี่ยเสียงดัง เด็กที่เด็กโตกนะันที่จุดนี้ก็หัวเราะกันเด็กหญิงวัยสามขวบเนี่ยพอเห็นใครๆหัวเราะก็เลยหัวเราะบ้างทั้งที่ก่อนหน้า น, นี้พอดีนเสียงประทัดนีตกใจร้องไห้แต่พอเห็นคนอื่นเหัวเราะเมื่อดินเสียงประทัดหรือเมื่อได้จุดประทัดเนี่ยเด็กหญิงก็เลยหัวเราะบ้าง แล้วพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาสนุกกันนะเนี่ยมันไม่ีอะไรที่น่าตกใจตอนหลังพ่อมีเสียงประทัดดังเนี่ย <c oughs> เด็กไม่ร้องไห้แล้ว <c oughs> เด็กไม่ตกใจแล้ว <c oughs> เด็กก็หัวเราะด้วยตอนหลังพ่อก็เลยได้ความคิดว่า เ, ออเวลาเครื่องบินนี่มันท่งระเบิดเนี่ย ก็บอกเด็กว่านี่มันความมันเป็นคือเสียงความสนุกนะอย่าไปตื่นตกใจมันก็เหมือนกับเสียงประทัดแหละต่นหลังเนี่ยพอเสียงระเบิดนะดังขึ้นมาเนี่ยเด็กไม่ร้องไหนะ้แล้วเด็กไม่ตื่นตกใจวนะเด็กควรเราะเพราะคิดว่ามันเป็นเสียงของความสนุก เหมือนกับสียงประทัดนะที่เด็กๆข้างบ้านจุดเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ไรเนี่ยเด็กก็หัวเรา ะ, ะเมื่อเสียงมันแผดกล้องขึ้นมาตอนหลังเนี่ยพ่อก็ อ, ออกอุบายนะทำเป็นเกมเลยเวลาเครื่องบินเสียงดังเวลาเครื่องบินมันส่งเสียงมาแต่ไกลเนี่ย พ่อก็จะทายถามเด็กว่าอ น, นี่เสียงเครื่องบินหรือเสียงระเบิดนี่ยเด็กนี่ก็ก็แยกแยะออกนะเครื่องบินธรรมดากับเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยพอมีเสียงพอมีเสียงระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาเนี่ยเด็กก็จะรู้เลยว่าอันนี้ระเบิดกําลังจะระเบิดแล้วเด็กเขารู้เด็กก็ ในสถานที่เสียงระเบิดจะดังเด็กก็บอกเลยนะเสียงระเบิดแล้วพอมันระเบิดเสียงดังจริงๆเด็กกู้หัวเราะเลยหัวเราะเพราะหนึ่งถ่ายถูกนะสองอมันคือเสียงความสนุกก็กลายเป็นว่าจากเด็กที่ร้องไห้ตื่นตกใจเพราะเสียงระเบิดนี่อันนี้กลายเป็นหัวเราะไปซะแล้วเสียงระเบิดก็ยังดังเหมือนเดิม นะแต่ว่าเด็กเนี่ยอากัปเกลียของเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปจากทุกเป็นสุขนะจากตกใจเป็นหัวเราะร่าเริงเพราะว่ามองว่าเออมันคือความสนุกใ้ความสุขหรือความทุ่ขคนเราเนี่ยเวลามีเสียงกระทบเนี่ยมันไม่อยู่ที่เสียงจริงๆ น, น, นะ แันมีอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเรามองมันอย่างไรอันนี้สำคัญกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งก็ค้างคืนอยู่หลายวันเช้าวันหนึ่งเนี่ย เ, เจ้าว่าเจ้าสำนักก็ถามชายคนนั้นว่า เมื่อคืนหลับดีไล้วก็ตอบว่าหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกทีแรมก็ดูเหมือนดีนะตอนหัวค่ำแต่พอตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยนอนไม่ได้เลยอ่าเพราะอะไรอะ่ะบอกเสียงห่านหานมาส่งเสียงดังมากเลยนอนไม่หลับแล้วทำยังไง ก็พอดีเนี่ยมีโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆโทรศัพท์มือถือนะก็เลยเปิดคำบรรยายธรรมะเอาหูฟังเนี่ยเสียบก็ฟังเทปธรรมะหรืองบรรยายธรรมเนี่ยจนหลับไปเลยจนรุ่งเช้า เสียงฮารเนี่ยทําให้ชาย น, นี้เนี่ยนอนไม่หลับแต่ทําไมเนี่ยเสียงธรรมะจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยทําให้ชายคนนี้หลับได้ ท, ท, ทั้งๆที่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเสียงธรรมะจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เอาหูฟังเนี่ยใส่หูเนี่ยมันดังกว่า มันดังกว่าเสียงอ่านเพราะว่าเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยยัดใส่หูเลยเสียงมันดังกว่าอยู่แล้วแต่ทำไมหลับได้ก็เพราะว่าใจเนี่ยนะมีความพึงพอใจมีความสุดดีกับเสียงธรรมะในขณะที่ เสียงห่านเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีกับมันเขามองมันเป็นเสียงรบกวนจึงนอนไม่หลับถ้าจะดูให้ดีเนี่ยที่ชายคนนี้นอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเสียงดังหรอกจะเป็นเพราะว่าไม่ชอบเสียงห่านเสียงท ร, รมาจากโทรศัพท์มือถือนี่ดังกว่าแต่ฟังแล้วหลับนะเพราะว่าใจรู้สึกดีรู้สึกเป็นบวกนะรับ เสียงธรรมะจากโทรศัพท์นั้นเสียงจะดังหรือไม่เสียงจะรบกวนหรือไม่เนี่ยนะเสียงจะรบกวนหรือไม่มันไม่อยู่ที่ว่าเสียงมันดังหรือไม่ดังแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรใจเราจะสงบหรือไม่เนี่ยมันไม่อยู่ที่เสียงที่มากระทบหูแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกของเราที่มีต่อเสียงนั้นเด็กสาวเนี่ยถ้า เมื่อมองว่าเสียงระเบิดเนี่ยมันเป็นเสียงความสุขสนุกสนานเด็กก็ไม่ตื่นตกใจนะกับหัวเราะด้วยแต่ว่าเสียงหารเนี่ยนั้นทางไม่ชอบแล้วเนี่แม้เสียงมันจะเบานะแต่ก็สามารถปลุกให้ตื่นหรือทำให้นอนไม่หลับได้ตรงข้ามเนี่ยเสียงธรรมะดังกว่าแต่พอชอบนั้นละหรือพอรู้สึกดีกับมัน ใจก็สงบไม่มีการต่อต้านไม่มีการขัดขืนไม่มีการผักใสก็เลยหลับได้งั้นก็อันนี้ ค, คล้ายๆนะกับคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาไปสังเวชนิสถานโด ย, ยเฉพาะพุทธคยาเนี่ยที่นั้นเนี่ยมันก็มีเสียงดัง จเราเสียงอุกทึกไม่น้อยเลยตลอดทั้งวันเลยแต่เราจะเห็นคนเนี่ยหลายสิบเลยนะนั่งสมาธิขัดสมาิอยู่ ร, บรอบๆเจดีย์พุทธคยาอย่างสงบทั้งที่เสียงมันดังแต่ทำไมเขารู้สึกว่าสามารถจะนั่งสมาธิได้อย่างสงบ ไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกํำคาญกับเสียงที่ดังเลยอันนี้เพราะเขารู้สึกนะว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสียงของการบูชาพระตนะไตรเป็นเสียงที่ไพเราะเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาเสียงก็ทอผูแล้วก็ใจก็เปิดรับไม่ผักใส ก็เลยสงบได้แต่ถ้าว่าลองเปลี่ยนเสียงสวดมนต์เนี่ยเป็นเสียงพูดคุยจอกจักจอใจเหมือนในตลาดความดังหรือระดับเดซิเบลอาจจะน้อยกว่าเสียงที่ดังรอบรอบเจดีพุทธคยาถ้าเจอเสียงจอใจอย่างนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าน้อยคนนะที่จะนั่งสมาธิได้ ก็จะรู้สึกหงุหดหงิดจริงหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความดังของเสียงแต่เพราะไม่ชอบเสียงนั้นต่างหงแต่ถ้าเปลี่ยนนะความรู้สึกมามองว่าเออมันเป็นเสียงที่เป็นบวกรู้สึกเป็นบวกกับเสียงนั้น ้ความสุขก็จะเปลี่ยนไปเลยนะ้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยสุขทุกเนี่ยเวลาเจออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นะแต่มันอยู่ที่ใจของเราเจ อ, อประสักด์นะแต่ถ้ามองว่ามันเป็นสิ่งท้าทายในการทำงาน มันก็กลายเป็นความสนุกขึ้นมาแต่ถ้ามองภาษาว่าคือปัญหากรจิตจะรู้สึกเครียดนะจะรู้สึกหงุดหงิดหรือบางทีก็รู้สึกท้อเลยเป็นทุกข์เลยตัวประร์อย่างเดียวกันคนหนึ่งทำงานแล้วเนี่ยคนหนึ่งเจอแล้วเนี่ยมีความสุขสนุกเพราะเห็นมันเป็นสิ่งท้าทายท้าทายความสามารถ ท่าทาศั ก, กยภาพหรือคนหนึ่งเจอแล้ทุกข์นะพอมองว่ามันคือมันคือปัญหาเสียงวิพากวิจารณ์หรือว่าเสียงตําหนิก็เหมือนกันนะถ้ามองว่ามันเป็นเสียงของผู้ชี้ขุมทรัพย์นะอย่างที่พระเจ้าตรัสเนี่ยให้มองผู้ที่ตําหนิว่าเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ ถ้ามองคำตำหนินะว่าเป็นการชี้คุมทรัพเนี่ยนะใจมันจะไม่ทุกข์ใจมันจะไม่มีความสึกโมโหคุนเคืองนะเมื่อได้ยินคำตำหนินั้นแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าเป็นคำต่อว่าก็จะรู้สึกงดเง็นรู้สึกโกรธนะเป็นทุกข์ขึ้นมาเลย เสียงเดียวกันนะคพูดอย่างเดียวกันคนหนึ่งฟังแล้วเนี่ยเปิดใจรับหรือน้อมรับเลยใจคนหนึ่งเนี่ยโกรธโมโหจิตยิ่งเป็นอกุศลหนักเข้าไปใหญ่อันนี้เพราะอะไรนะมันไม่ใช่เพราะเสียงที่ได้ยินหรือคําพูดที่กระทบหู แต่เป็นเพราะความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งนั้ น, นเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเมื่อเจออะไรก็ตามเนี่ยอย่ามัวแต่ไปโทษสิ่งนั้นธรรมชาติหรือนิสัยของคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะก็จะโทษสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้มองเลยนะ ไม่ได้สำรวจเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่ทัศนคติมุมมองหรือความรู้สึกของตัวเองในต่อสิ่งนั้นอาหารบางอย่างเนี่ยที่มันไม่มีรสจัดจ้านเนี่ยหลายคนกินก็รู้สึกแม่อร่อยรู้สึกผะ อ, อืดผะอมะที่กินมัน แต่บางคนเนี่ยเามองว่าเออมันเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพนะที่ช่วยทำให้โรคภัยไข้เจ็บนะมันทุเราเบาบางมันช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่มีสุขภาพดีเมื่อได้กินอาหารอย่างนั้นเนี่ยนะก็ไม่เป็นทุกข์อะไรกลับมีความพึงพอใจด้วยซ้ำนี่อะไร เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจึงไม่สําคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกำบันอย่างไรใัน้เวลามีความทุกข์เนี่ยทุกข์ใจนะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปโทษข้างนอกอย่างเดียวให้กลับมาดูใจของเราว่าเป็นที่ใจของเราหรือเปล่าเป็นเพราะมุมมองทัศนคติของเราหรือเปล่านะที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งถ้านจะบอกไปแล้วเนี่ย ความทุกข์ใจทั้งมวลเนี่ยสุดท้ายมันก็ล้นมีสาเหตุที่ใจของเราไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าในทางลบการมองในทางลบหรือความรู้สึกลบกับสิ่งนั้นนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เวลาเราภาวนาเราเจริญสติทาสมาธิเนี่ย แล้วมันเกิดความไม่สงบขึ้นมาเนี่ยอาจจะไปโทษไอ้ความคิดที่มันผุดขึ้นมาหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะทีนะ่กำลังภาวนาแต่ว่าให้มาดูว่าเนี่ยเป็นเพราะใจเรารู้สึกลบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในใจหรือเปล่าหลายคนเนี่ยเวลาทำสมาธิ จริสติเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยนะกับไอความคิดต่างๆที่ผุดขึ้นมาบางคนบอกเนี่ยทำา5นาทีก็ไม่ไหวแล้วมันคิดมากเหลือเกินจริงๆเนี่ยไอที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะความคิดมันเยอะแต่ทุกเพราะว่ารู้สึกลบกับความคิดที่มันเกิดขึ้น หรือเพราะไม่ชอบความคิดที่มันผุดขึ้นมาถ้าเป็นความคิดที่ชอบนะก็จะไม่รู้สึกลำคาญไม่รู้สึกหงุดหงิดกับเพลินด้วยซ้ำหลายคนภาวนาไปใจลอยคิดโน่นคิดนี่คิดแต่เรื่องที่อชอบแบบนี้ไม่บ่นนะว่าไม่สงบไม่สงบ ไอ้ที่บนแล้วไม่สงบเนี่ยันเป็นเพราะว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรืออารมณ์ที่ตามมาเนี่ยไม่ชอบหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็พรรู้สึกลบกับความคิดนั้นที่รู้สึกลบก็เพราะมองว่ามันเป็นตัวการทำให้จิตไม่สงบแต่นั้นเนี่ยมองผิดฝาผิดตัวเป็นเพราะความรู้สึกลบกับสิ่งนั้นต่างหาก อันที่รู้สึกลบเพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นพอะคิดว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อไม่มีความคิดใดๆพุดขึ้นมาเลยนั้นจึงพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดแต่พอมันเกิดคิดขึ้นมาก็ไม่พอใจเกิด ค, ความสึกผิดหวังปัญหาไม่ได้ที่ความคิดที่มันพุดขึ้นมาแต่อยู่ที่ ความรู้สึกลบนะต่อความคิดนั้นไม่ชอบที่มันเกิดขึ้นจึงที่ควรทำเนี่ยไม่ใช่หาทางทําให้ไม่มีความคิดเกิดขึ้นมาเลยแต่ว่าให้เปลี่ยนนะความรู้สึกหรือมุมอมองของเราต่อความคิดเหล่านั้นถ้าจะรู้สึกว่าถ้าจะรู้สึกลบนะก็ให้ลองเปลี่ยนความรู้สึกเป็นบวกดู มองว่าเออเขามาเพื่อฝึกให้เรามีสติเป็นการบ้านที่มาฝึกให้เรามีความรู้เท่าทันได้รวดเร็วถ้าเรามองเปลี่ยนความสึกนะจากลบให้เป็นบวกนมันเกิดขึ้นกี่ครั้งเนี่ยใจก็ไม่ถูกใจก็ไม่รู้สึกกระเพื่มหรือวุ่นวายเลยหรือจะมองก็ได้ว่าเออ มันมามันเป็นส่วนหนึ่งของเกมหลวงพ่อ เ, อเขียนรมบอเนี่ยเวลาเจออารมณ์พวกนี้ให้รู้จักจะเอะกับมันจะเอะกับมันอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปต่อสู้ผักไซมันให้จะเอะเราก็เอาความคิดแล้วอารมเรานี้มาเป็นเกมซะเลยนะเป็นเกมจอะเอะ ลองดูว่าเออเราจะจะเอมันได้ไวไหได้ทันไหมมันก็เหมือนกับพ่อเนี่ยที่เล่นใช้เกมเนี่ยมาทำให้เด็กนี่หายกลัวระเบิดนะเวลาเครื่องบินมาเนี่ยก็เล่นเกมกับเด็กเลยนะว่าเออสียงเครื่องบินหรือเสียงระเบิดนะให้เด็กถ่ายนะเด็กพอถ่ายว่าเสียงระเบิดแล้วถ่ายถูกเด็กดีใจหัวเราะนะ ว่ามันกลายเป็นเกมซะแล้วนะเสียงระเบิดมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมนะที่พ่อมาเล่นกับลูกสาวเราไม่ต้องมีใครมาเล่นเกมกับเรานะเราก็ทําให้มันเป็นเกมขึ้นมาซะเลยเกมเจ้าเอเราจะเจ้าเอมันได้ทันไหมได้ไวไหมเพราะเราคิดแบบนี้นะไอ้ความสึดลบเนี่ยที่มีต่อความคิดมันจะเปลี่ยนไปแนละ้ว มันมีความสึกบวกขึ้นมาว่าเออมันเป็นสิ่งที่มาทดสอบว่าเราจะไวพอไหมเราจะทําแต้มได้ดีไหมในเกมเจเอเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากความสึกบวกนะไม่มาขยับมาเป็นความสึกกลางๆดูความคิดใดเกิดขึ้นก็รู้สึกเป็นกลางกับมัน หรือว่าช่างมันอย่างที่เราความงเกตว่าสอนว่าเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างช่างมันช่างมันนี่คือความสึกเป็นกลางนะทำใจเป็นกลางต่อความคิดทุกความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคือการผักใสก็จะหมดไปนะไม่ว่าจะมองมันบวกหรือมองมเป็นกลางเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันคือมันไม่มีการผักสายผักสัยความคิดผักสายอารมณ์ที่เกิดขึ้นไอตัวการผักสายเนี่ยแหละนะที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เสียงดังถ้าไม่ผักสายมันมันก็ไม่ทุกข์หรอกเช่นถ้ารู้สึกเฉยๆกับมันหรือว่ารู้สึกว่าเออมันเป็นเสียงของความศรัทธาในพระธรรมตรยหรือเป็นเสียงบรรยายธรรมเนี่ย พอรู้สึกบวกกับมันนะรู้สึกดีกับสิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดการผักใสและพอไม่เกิดการผักไสมันก็ไม่ทุกข์ไม่เกิดความหงุดหญงิดเช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อรู้สึกเป็นกลางกับมันไม่บวกไม่ลบการผักใสก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นมากระทบไม่ใช่แค่ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในแต่รวมถึงเสียงรูปกลิ่นรสนะที่กระทบด้วย เราต้องหัดเปลี่ยนนะเราหัดเราเปลี่ยนสิ่งภายนอกได้ยากหรือบางครั้งก็ทําไม่ได้เลยนะแต่เปลี่ยนมุมมองหรือความรู้สึกในจิตใจของเราได้จากที่เคยรู้สุดลบก็เปลี่ยนให้เป็นบวกจากที่เคยมองลบให้มองเป็นบวกหรือว่ารู้สึกเป็นกลางๆลางในเด็กสาวนั้นเนี่ยนะต้องอาศัยพ่อนะถึงจะเปลี่ยน ม, มุมมองที่มีต่อพัะทัดหรือระเบิดได้แต่ว่าเราเนี่ยนะ ไม่ใช่เด็กแล้วเราสามารถเชืเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองหรือฝึกใจของตัวเองให้เปลี่ยนความรู้สึกนะที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้ตรงนั้นแหละนี่ที่าไห่ช่วยทําให้ให้ความทุกข์ที่เคยมีเนี่ยมันหมดไปหรือมันบรรเทาเบาบางไปและความปกติสุขก็จ ะ, ะเกิดขึ้นกับเราได้ชาวเน็ตพุทธนี้นะครับ